Thank you.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 ในขณะที่พรามพูดเท่ากำลังประคองอัญชลีกล่าวคำมสการพระสุคตเจ้านั้นผู้ฟังทั้งปวงก็พากันยืนขึ้นและประคองอัญชลีตามต่างมีจิตใจชื่นบานไปตามกรถาอันเป็นที่ตั้งห่งความเลื่อมใสของพรามชราครวนแล้วก็แยกย้ายกลับสู่เคหสถานแห่งตนสุรเสนะกับติมโพรกลับมาถึงหมู่บ้านเกวนเมื่อต้นมชิมยามพบธนยะ อย่างนั่งคอยอยู่สุรเสนะจึงเล่าความให้ท่านบิดาฟังโดยละเอียดชาวเกวียนทุกคนได้รับแจ้งให้ทราบว่าชาวมืดวันรุ่งขึ้นขบวนเกวียนจะเคลื่อนจากกรุงราชครืมุ่งไปสู่แคว้นวัชชีต่างจึงเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแต่ยามเย็นจันทรายนะมหาอมาตพร้อมด้วยบุตรทธิดามาถึงหมู่บ้านเกวียนแต่ยังไม่สว่างเพื่อส่งธนิยะสหายรัก ผู้จะจากไปสู่แคว้นอื่นต่อไปสุรเสนะแลเห็นก็แสดงอาการดีใจจนเทพบิดาสังเกตรู้เป็นความดีใจอันลึกลับซึ่งไม่มีใครทราบนอกจากธนิยะผู้เป็นคนช่างสังเกตมูกเกวียนได้มาคอยอยู่ที่ประตูเมืองแตายามนั้นครันได้เวลาแสงเงินแสงทองประตูใหญ่เปิดออกขอบวนกเกวียนก็ค่อยๆเคลื่อนจากไปธนิยะกับจันทรายนะ แสดงความเคารพ ก, กันเลยกันแล้วก็กล่าวคำอำลาสุรเสนประคองอัญเชลีต่อหน้าจันทรายนะและบุต ธ, ธิดาด้วยท่าทางอันเศร้าเสียงเป่าเขาดังเป็นระยะระยะมีขบวนมา้าประจำกองเกวียนเป็นมุมโอออกตรวจตราความเรียบร้อยในการเดินทางมีเกวียนสินค้าเกวียนสเสบียงย่้าน้าพร้อมสับราชคมหานครอ น, อนุ่งโรซึ่งแวดวงไปด้วยภูผา เป็นทิวล้อมถูกละไว้ในเบื้องหลังในขณะนี้จะได้ยินแต่เสียงกระดึงที่คอโคและเสียงล้อเกวียนติดต่อกันไปตลอดเวลาสองข้างทางมีทุ่งนาป่าตานป่าไม้เบญจพรรณและพรวนดินไกลออกไปเล็กน้อยมีพืชเขาทอดเป็นแนวยาวทางซ้ายมือพื้นภูมิประเทศในฤดูนี้เขียวชอุ่มเป็นที่เจริญตา สุรเสนานั่งสงบตลอดทางท่านบิดาจึงกล่าวขึ้นว่าถ้าคิดตามระยะทางแล้วเราเดินทางจากกาสีและเข้าเฉตวัดชีทีเดียวอย่างใกล้กว่าแต่เราต้องย้อนมาแคว้นมะโคตแล้วจึงเข้าวัตชีก็เพราะการเดินทางเพื่อค้าขายไม่เหมือนการเดินทางด้วยธุระอื่นพ่อรู้ว่าเจ้าอย่างอะไรกุงราชครื้เพราะเหตุอะไรแต่เจ้า ก็ได้คติประจําใจเป็นอันมากระหว่างพักอยู่ณที่นั้นถ้าเจ้าคิดว่าชีวิตของคนเราเป็นเพียงความฝันเราประสบอะไรในความฝันแล้วพอตื่นก็หายไปดังนี้เจ้าก็จะไม่อ่านลายในสิ่งต่างๆที่พบเห็นมากเกินไปสุรเสนาสะดุ้งที่ท่านบิดาพูดดังว่ารู้ความในใจอะไรของตนเขาก้มหน้ามีอาการซื้ออื่นอยู่ในอกแต่หามีน้ําตาไหลออกมาไม่เพราะท่านบิดา อบรมบุตรไม่ให้เป็นคนอ่อนแอถ้าจะมีความรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างไรก็ให้เก็บไว้แต่ในใจมิให้แสดงออกมาสุรเสนะคงไม่พูดอะไรตามเคยจึงเป็นโอกาสที่ท่านบิดาจะได้พร่ำสอนสิ่งต่างๆเกี่ยวกับชีวิตของคนเราตลอดจนวิธีสังเกตระยะทางลักษณะภูมิประเทศอื่นๆ อ, อ, อีกนานๆจะผ่านหมู่บ้านเป็นย่อมๆสักแห่งหนึ่งมีสตรีและเด็ก ออกมายืนดูหมู่เกวียนที่ผ่านมาอย่างสนใจป่าตะลิคามหมู่บ้านใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาคือจุดหมายสำคัญที่ขบวนเกวียนนี้มุ่งไปณที่นั้นขบวนเกวียนจะพักเตรียมตัวเพื่อข้ามลำน้ำใหญ่อันแบ่งเขตมคตกัลวชีป่าตะลิคามคือหน้าด่านอันสำคัญที่แคว้นมคตได้ส่งกองสอดแนมมาคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้ที่ข้ามไปมาอยู่เสมอ อาชีพของชาวบ้านหมู่นี้คือตัดหวายและไม้ไผ่มาสารทำเป็นเครื่องใช้ขายแก่ผู้คนเดินทางและทำไรทำ่ทานาการทำไร่ใช้สถานที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาตอนที่ลาดลงไปอันสะดวกด้วยน้ำส่วนการทานาก็เลือกทำแต่ในที่ลุ่มซึ่งน้ำท่วมถึงในฤดูฝน ขบวนเกวียนซึ่งรอนแรง ม, มาได้บรรลุถึงปาตลิคามในเวลาบ่ายธนิยะก็จัดสั่งขบวนใหม่ให้เกวียนสินค้าอยู่ตรงกลางมีกองคุ้มกันอยู่รอบนอกมีกองมา้าคอยสอดส่องดูแลเป็นยามรถหลังใกล้ไกลาตามควรแวก่ภูมิประเทศมิได้ประมาทมู่ชายชกันก็ถูกเกณฑ์ให้ไปตัดไม้ไผ่และตัดหวายมาเตรียมเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการข้ามฟากอย่างเร่งด่วนทนิยะ ได้อธิบายให้สุรเสนะฟังว่าเกวียนของเรานับเป็นจํานวนร้อยเราจึงต้องเช่าเรือและแพรของชาวบ้านเท่าที่จะหาได้ส่วนแพรที่ทําเองได้เท่าไหร่ก็ต้องนํามาใช้เพื่อให้ข้ามได้เสร็จในวันเดียวเกวียนบรรทุกสินค้าหนักๆเล่มหนึ่งต้องใช้แพถึงสมแพคือแพรหนึ่งผูกไว้ใต้ท้องเกวียนเมื่อโคลากลงไปในน้ําลึกพอสมควรแล้วจึงปลดโคออกมารวมไว้ที่แห่งหนึ่ง แล้วนําแพรอีกสองแพมาผูกขนานที่ล้อเกวียนใช้ไม้ไผ่ผาดให้ติดต่อกันขันด้วยหวายให้แน่นหนาแล้วเกวียนนั้นก็จะลอยน้ําได้ถ้าเกวียนเบาก็ใช้เพียงแพรเดียวข้างล่างเกวียนเหล่านี้จะต้องล่ามเชือกโยงติดต่อกันเป็นแนวยาวครั้นเตรียมเกวียนเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลวจะต้องส่งโค ข, ข้ามฝ้าก่อนโคที่ข้ามนั้นย่อมว่ายน้ําข้ามไปแต่ถ้าไม่จัดการให้ดีก็จะจมน้ําตายกันทั้งฝูง ครั้งแรกจะต้องสำรวจท่าฝั่งโน้นก่อนว่ามีกี่ท่าซึ่งโคจะข้ามได้อย่างน้อยจะเตรียมท่าขึ้นไว้ให้โคสักสามหรือสี่ท่าคือขณะที่ข้ามนั้นโคย่อมถูกน้ำพัดไปบ้างจึงข้ามไม่ได้ตรงแมวระหว่างฝั่งทั้งสองเมื่อขึ้นท่าที่หนึ่งไม่ได้ก็จะได้ขึ้นในท่าถัดกันออกไปซึ่งเราได้ส่งคนไปคอยดูอยู่แล้วถ้าแพรขนานเกวียนมีพอต้องการ เราก็ปล่อยโคข้ามได้ทีเดียวทั้งหมดถ้ายัางไม่พอก็ปล่อยไปเป็นรุ่นรุ่นเจ้าจงจําไว้ว่าในการปล่อยโคข้ามแม่น้ํานั้นจะต้องให้โคผู้ที่เป็นหัวหน้าฝูงข้ามก่อนแล้วให้โคนอกนี้ตามไปโดยลําดับคือโคที่แข็งแรงโค ร, รุ่นและลูกโคถ้าปล่อยโคผิดลําดับก็อาจปัป่นป่วนเป็นอันตรายเพราะโคย่อมตามหัวหน้าฝูงถ้าหัวหน้าไปตรงก็ว่ายตรงตัดกระแสน้ําไปได้ ถ้าหัวหน้าโคไปคดก็ไหว้คดเคี้ยวเวียนวนเป็นเหตุให้ชักช้าหรือหมดแรงจมน้ำตายถ้าฝั่งตรงคร่าไม่มีท่าขึ้นมีตลิงชันหรือมีโพงไม้รกหัวหน้าโคไม่เห็นทางขึ้นก็จะไหว้กลับเมื่อหัวหน้าโคไหว้กลับโคตัวอื่นที่ไหว้ตามมาก็จะย้อนกลับบ้างเลยไหว้วนจมน้ำตายเพราะเราคุมการข้ามไม่ดีพอถ้าเราปล่อยให้โคถูกลาดับและคุมการข้ามให้ดี แม้ลูกโคที่เกิดในวันนั้นก็จะว่ายข้ามน้ำตามแม่โคไปได้โดยสวัสดีจนถึงฝั่งครั้นโคข้ามเสร็จแล้วเราก็ใช้โคนั่นแหลลากแพรเกวียนซึ่งโยงติดต่อกันไว้ด้วยเชือกอันเหนียวแน่นแข็งแรงดีซึ่งนำปลายข้างหนึ่งไปสู่ฝั่งโน้นด้วยเรือและมีคนคอยคุมลำดับเกวียนให้เข้าสู่ฝั่งแล้วปลดแพส่งข้ามฝากมารับเปลียนชุดอื่นอีกการที่เราต้องลากโคไว้ที่ฝั่งนี้บ้าง ก็เพื่อรอให้ส่งแพกลับแล้วจึงให้โคลากเกวียนที่ผูกแพรไว้ใต้ท้องเกวียนลงน้ําครันแล้วจึงปลดโคให้ขึ้นทางเก่านําแพอื่นอีกมาผูกขนานเกวียนสองข้างแล้วจึงส่งโคและเกวียนข้ามฟากโดยในยะหนหลังอันหนึ่งท่าที่โคและเกวียนจะขึ้นลงก็ต้องเลือกสถานที่อันแน่นหรือที่ดินปนทรายไม่เป็นลมถ้าในภูมิประเทศที่ไม่เคยข้ามด้วยแล้ว จะต้องตรวจตรากันอย่างท่วนทีแล้วค่อยปล่อยโค ข, ข้ามไปขบวนเกวียนของเรามีม้ามาด้วยเราจะให้ม้าว่ายข้ามไปหรือจะใช้แพรขนาดใหญ่ให้ม้าลงไปยืนได้นำข้ามไปทีละ ม, มากๆก็ได้ คืนนั้นเป็นดิถีที่ส4ี่แห่งชุนหะปักเดือนจิตุระพอตะวันตกได้พักใหญ่ดวงจันเกือบเต็มดวงก็โผล่ขึ้นทางทิศบูรพาและไม่นานนักก็สูงขึ้นพ้นยอดไม้สุรเสนะนั่งอยู่บนเกวียนกับท่านบิดาณนหาดทรายอันยาวไปตามชายฝั่งกระแสน้ำอันเป็นระรอกเพราะลมพัดจัดเมื่อต้องแสงจันก็เป็นประกายมองไปทางฝั่งน้าตรงข้าม ซึ่งไกลออกไปลิบๆิเห็นแสงไฟริบหรีจากหมู่บ้านบางแห่งอากาศปลอดโปร่งสดชื่นยิ่งกว่าที่อื่นซึ่งเคยพักมาก่อนทั้งนี้เพราะหาดสายนี้ตั้งอยู่ห่างฝั่งออกไปไม่มีอะไรกำบังลมตะเพาอันพัดมาจากด้านทิศใต้บนฝั่งลึกเข้าไปมีเกวียนกองป้องกันและหมู่ชาวแม่นทนูตรวจตราอยู่ธนิยะได้กล่าวขึ้นว่านชายฝั่งตำบลปาตลิคามโนน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จข้ามฟากจากแคว้นมคศมาฝั่งวัชชีนี้ในคราวที่กรุงไพราลีเกิดทุพพิภัยและโรคระบาดกษัตริย์ชวีไปทูลเชิญพระองค์ให้เสด็จมาโปรโดพระเจ้าพิมพิสารตามเสด็จมาส่งทางฝั่งโน้นกษัตริย์ชวีเตรียมรับเสด็จอยู่ทางฝั่งนี้มีภิกษุสงฆ์ตามเสด็จเป็นจํานวนมากในครั้งนั้นได้จัดเรือประดับด้วยดอกไม้วิกิจบรรจง เป็นพาหนะถวายสมเด็จพระาศาสดาการที่เรามาพักแรมที่หาดทรายเช่นนี้จะต้องสังเกตทางทิศเหนือดูได้ว่าในระยะ30วันหรือ20วันนี้มีเขาว่าฝนตกหนักหรือไม่เพราะบางทีนอนอยู่ดีๆรุ่งเชา้าอาจถูกกระแสน้ำหลากมาพัดจมน้ำตายกันหมด น้ำป่าที่หลากมานั้นส่วนมากไหลมาแต่ภูเขาฉะนั้นการเดินทางและการพักผ่อนจึงต้องพิจารณาให้รอบคอบข้าแต่ท่านบิดาลูกทราบแต่เพียงว่าท่านมารดาได้สิ้นชีวิตจำเดิมแต่การที่ลูกยังเป็นเด็กกับทราบแต่เพียงนามของท่านว่าชื่อตุลลินีขอได้โปรดเล่าเรื่องละเอียดเกี่ยวกับท่านมารดาให้ลูกฟังด้วยดูก่อนสุรเสนะเรื่องของตุลลินีมารดาเจ้านั้น มีคติเตือนใจดีมากและก็เป็นธรรมดาที่ย่อมเกี่ยวข้องมาถึงพ่อด้วยแต่ก่อนที่พ่อจะเล่าให้เจ้าฟังจะขอให้เจ้าสังเกต ด, ดูว่าความยุ่งยากของมนุษย์และสัตว์ในโลกนี้โดยมากเกิดขึ้นเพราะมนุษย์และสัตว์เหล่านั้นก่อขึ้นเองมนุษย์สร้างบ่วงคล้องคอตัวเองสร้างเครื่องจองจำไว้ขังตัวเองและในขณะเดียวกันก็ร่าร้องหาความสุขความอิสระเพียงในสัตว์ชั้นต่เช่นเป็ดไก่ เมื่อเราโยนข้าวเปลือกให้มันกินถ้าเป็นฝูงเป็ดมันก็จะตรงเข้าไปไซด์กินโดยรวดเร็วใครว่องไวก็กินได้มากใครช้าก็กินได้น้อยแต่มันไม่จิกตีขมเแขกันในเวลากินจึงรวมอยู่กินกันอย่างผาสุขและไม่ค่อยแตกฝูงไม่ว่าจะมีมากสักเท่าไหร่ส่วนไก่นั้นตรงกันข้ามมันไม่หวงกันกินเฉพาะแม่ไก่ที่เลี้ยงลูกเล็กๆและไก่ตัวผู้ที่ต้องการเอาใจไก่ตัวเมียเท่านั้น นอกจากนี้ถ้าในหมู่ตัวผู้หรือตัวเมียล้วนๆแม้มีเพียงสองตัวเท่านั้นถึงข้าวที่โยนจะให้มากสักเท่าใดมันก็จะจิกตีข่มเหงซึ่งกันและกันอย่างเวลาที่ควรจะได้กินให้เสียไปเป็นอันมากบางทีเป็ดมาแย่งกินหมดได้มีผู้ทดลองเอาข้าวใส่รางยาวให้ไก่สองตัวกินตามธรรมดารางเช่นนั้นมีเนื้อที่ให้ไก่ยืนกินได้ถึงสิบตัวแต่ไก่สองตัวนั้นจะเบียดกัน จนตัวที่กำลังน้อยกว่าไปติดที่ปลายรางอีกข้างหนึ่งหรือมิเช่นนั้นตัวที่มีกำลังน้อยกว่านั้นก็จะถูกจิกตีไม่ให้เข้าใกล้รางอาหารความริษยาความขมเหงรังแกกันเป็นไปมากในหมู่ไก่อย่างนี้ไก่จึงรวมอยู่กันไม่ค่อยได้มักแตกพวกแตกหมู่ไม่เป็นผาสุขในหมู่มนุษยก็เช่นเดียวกันหมู่ใดแย่งแย่งขมเหงเบียดเบียนริษยากันแม้บ้านเมือง น, นั้น จะมีอาหารอุดมสมบูรณ์คนในหมู่นั้นก็ไม่เป็นอันกินอันนอนได้โดยผาสุกแต่ในที่ใดแม้จะมีมนุษย์มากมีอาหารไม่มากนักแต่มนุษย์เหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมไม่ริษยาเบียดเบียนกันก็สามารถอยู่รวมกันเป็นผาสุกและทําความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นได้เพราะไม่ต้องเสียเวลาในทางทะเลวิวาทกันเป็นต้นพ่อไม่เคยบอกเจ้าว่าพ่อเป็นชาวเมืองอะไรและเหตุไร จึงตั้งชื่อให้เจ้าว่าสุรเสนะตลอดจนเรื่องของตุลินีแม่เจ้าพ่อก็ไม่เคยเล่าเรื่องละเอียดให้ฟังทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อต้องการให้เจ้ารู้ต่อเมื่อเจ้ารู้จักรับผิดชอบมีหลักธรรมในใจพอที่จะสอนตัวเองได้แล้วถ้าคนอื่นบอก เจ้า ก, ก็คงไม่เชื่อว่าพ่อนี้คือเชษฐาโอรสของพระราชากรุง ม, มัุรานครหลวงแห่งแขว้นสุรเสนาพ่อควรจะได้ครองราชสมบัติในขณะนี้และถ้าพ่อปกครองถึงอย่างไรกรุง ม, มัุราและถ้าพ่อปกครองถึงอย่างไรกรุง ม, มัุราก็ยังคงไม่ไปตกอยู่ในอำนาจของพระราชาแห่งแขว้นอวันตีพ่อมาดำรงชีพยอย่างพ่อค้า ไม่มีใครรู้จักว่ามีสกุลหรือสืบมาอย่างไรทั้งนี้ด้วยความตั้งใจและความพอใจของพ่อเองพ่อได้ให้โอกาสเจ้าน้องชายต่างมารดาขึ้นเสวยร่าแทนในเมื่อพระบิดาสวรรคตมารดาของพ่อได้เสด็จที่บงคตจำเดิมแต่การที่พ่อเดินทางไปได้ไม่นานนัก